ในแหวงนี่เป็นลูกชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเรียนหนังสือจบประถมปีที่สี่ก็เลิกเรียนออกมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายยิงนกตกปลาหาอาหารเข้าบ้านตามประษาะเด็กบ้านนอกชนบทในแหวงมีเพื่อนคู่หูคู่หาอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กรุ่นเดียวกันชื่อในหงอกไอหมอนี่ แ, แพ้ผมตั้งแต่เรียนอยู่ปสาม เพื่อนห้องเดียวกันก็เลยเรียกมันอย่างนั้นนานเข้าก็ลืมชื่อจริงไปเจอหน้าทีไรก็เรียกแต่ไอ้งอกไอ้งอกมันก็ยอมรับกับชื่อใหม่โดยดีในงอกลาขาดจากโรงเรียนพร้อมนายแหวงต้อนบัวต้อนควายมาเลี้ยงดูอยู่ใกล้ทุ่งกันว่างจากงานในท้องนาเมื่อไรก็เป็นต้องชวนกันเข้าป่าล่าสัตว์แต่ก็เป็นชายป่ามีสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ล่าไม่ใช่ดวงดิบที่พวกพรานเขาไปล่าสัตว์ใหญ่กัน คำว่าล่าสัตว์ของสองเกลอือควรจะเรียกว่าไปรังแกสัตว์มากกว่ามีอยู่คราวหนึ่งซึ่งในแหวงจําได้ไม่เคยลืมวันนั้นสงเกลอพกหนังสติ๊กเข้าป่าเหมือนเคยระหว่างทางก็เห็นนกทํารังอยู่บนขาคบไม้พ่อนกแม่นกไปหากินไกลาหาอาหารมาป้อนลูกในรังไอแหวงเรามาเล่นแกล้งนกกันดีกว่าวะ่ะเฮ้ย พบไม้มันอยู่สูงนะรังมันอยู่ข้างบนยังจะปีนไปถึงเด้อเออลองดิไม่ลองก็ไม่รู้แกล้งนกเล่นสนุกจะตายเองก็รู้เอางั้นเหรอว่าแล้วสองเกลือก็ใช้ความพยายามสูดชีวิตปายปีนขึ้นต้นไม้จนถึงขาคบไม้อันสูงริบเลิ่วอย่างเนิดไม่กลัวตกไปคอหักตายเห็นลูกนกขนเพิ่งจะขึ้นหอมแหลมอยู่ในรังสองตัว ในงอกก็คว้าใส่กระเป๋าเสื้อปลายปีนกลับลงไปวางไว้ที่คนต้นหนึ่งตัวต่อให้แม่นกบินกลับมาเห็นก็ช่วยพาลูกนกกลับขึ้นรังไม่ได้เพราะว่านกไม่มีมือเหมือนกับคนที่สามารถจะหยิบจับอะไรได้ส่วนลูกนกที่ยังเหลืออยู่บนรังก็ร้องจิบจบฟ้องแม่ว่ามีมนุษย์ขึ้นมารังควานทำให้มันตกใจกลัวแม่นกจะห่วงหน้าพวงหลังได้แต่บินขึ้นบินลงทาอะไรไม่ถูก ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่คาดไว้เกิดขึ้นจริงอย่างที่คิดแม่นกตกใจแทบสติแตกโผบินไปมาปากก็ร้องดังลั่นอย่างระแวงไัยมันรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าถูกมนุษย์รังแกจะย้ายลูกหนีไปที่อื่นก็เหลือกำลังความสามารถของนกไยในหอกนี่ยังคิดจัดหนักยิ่งกว่านั้นก็กระซิบบอกในแหวงเฮ้ hey, เดี๋ยวข้าจะเด็ดดอกอัญชันเอามาขันน้าสีม่วง มาย้อมสีไอ้ลูกนกที่โคนต้นน่ะดูสิว่าแม่มันจะจำลูกมันได้ไหมในแหวงที่ว่าแน่ในเรื่องรังแกสัตว์ฟังแล้วยังต้องพูดพรามเพื่อนเกลอเฮ้ยเล่นแรงเกินไปนะนกมันไม่รู้ประสีประสาด้ยวยว่าอืมน่ะแมมเองน่ะเป็นคนดีมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยกล่าวขาดคำสองเกลอคนบาปก็แหกปากหัวเราะร่วนสนุกขบขันในวีรเวรของ พวกรังแกนกสนุกกบขันในวีรกรรมของพวกตนรังแกนกสามแม่ลูกจนหนำใจแล้วก็ปล่อยแม่นกให้บินขึ้นบินลงจนกว่าจะอ่อนใจหรือว่าเหนื่อยตายไปเองนอกจากรังแกสัตว์เป็นเรื่องสนุกแล้วในแหวงกับในหอกยังทำบาปขึ้น ชอบขันอาสาไปเชือดเป็ดเชือดไก่ให้ชาวบ้านที่ใจบุญที่เขเลี้ยงเป็ดไก่ไว้กินไข่จนมันแก่มากไม่ออกไข่อีกแล้วเลี้ยงไว้ก็เปลืองข้าวเปลืองรำสองเกลอก็ยื่นข้อเสนอเป็นคนเชือดให้เองชาวบ้านต้มผัดแกงทอดเสร็จก็แบ่งให้คนละนิดคนละหน่อยมันก็พอใจแล้วน่าอัศจรรย์ที่ว่าพ่อกับแม่ของนายแหวงเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมประจําใจเข้าวัดฟังเทศฟังธรรม ทำบุญทำทานอยู่เป็นนิดไม่เคยสอนให้ลูกก่อบาปก่อเวรสักครั้งแต่ชาวบ้านในละแวกเดียวกันนลวนจะมีฐานะยากจนพวกผู้ใหญ่ที่เป็นชายสกันทาไมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ทอดแหตกปลาจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปฆ่ากินเป็นอาหารไม่มีใครคิดว่าตัวสร้างบาปกรรมความชั่วอะไรทั้งสิน้นในแหวงคบหาสมาคมกับลูกชาวบ้านมาตั้งแต่ยังเล็กก็เลยเห็นดีเห็นงามตามพ่อแม่ของเพื่อน พ่อแม่ของตัวเอาแต่ทำอาหารมังสวิรัตกินทุกมื้อก็เชิญฮะเชิญตามสบายในแหวงเติบโตเป็นวัยรุ่นฆ่าสัตว์กินเองได้ตอนเป็นหนุ่มอายุ 18-19 าในแหวงกับในหอกสองเกลือหัวเห็ดนีนต่างก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนชินชากับการทำลายล้างชีวิตสัตว์อื่นถึงขนาดช่วยกันเชือดหมูให้ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงไว้แต่ไม่กล้าเชือดเองเพราะมันหวาดเสียว สองเกลือตรากรำทำงานหนักจนร่างกายกำยำสามารถฉุดลากหมูตัวใหญ่หนักเป็นร้อยกิโลเอาไปมัดติดเสาหลักใ้ถุนเรือนแล้วใช้คอนปอนของพวกก่อสร้างทุบหัวไม่กี่ทีก็สลบเมือดปล่อยให้ในแหวงใช้มีดปลายแหลมแทงซอกขาทะลุหัวใจตายขาที่อย่างง่ายดายถ้าเจ้าของบ้านไหว้วานให้จำแหละหมูเป็นชิ้นส่วนให้ด้วยสองเกลือก็จะได้ค่าเหนื่อยเป็นหัวหมู เอาไปขายที่ตลาดสดในตำบลได้เงินเข้ากระเป๋างามซื้อเหล้าแดงของโรงงานสุราบางยี่ขันมาสดได้คล่องคอตอนนั้นเหล้าแม่ข ว, ขวด19บาทก็เอาเงินจากการขายหัวหมูมาซื้อได้สบายมากยังเหลือติดกระเป๋าอีกหลายสิบบาทขากลับเจ้าของหมูก็นาชิ้นส่วนของหมูต้มผัดแกงทอดแล้วเสร็จแบ่งให้ไปทําเป็นกับแกลมอีกด้วย กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในแหวงรับจ้างชาวบ้านเก็บมะพราะ้าวเกิดประมาทอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงมาแขนหักไปข้างต้องรีบกลับบ้านให้พ่อช่วยเข้าเฝือกพ่อก็บอกว่ากรมเริ่มตามสนองมึงแล้วถ้ายังไม่เผาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงบ้างสักวันมึงจะเจ็บตัวหนักกันนี่หลายเท่าในแหวงก็เริ่มฉุกใจได้คิดขึ้นมาบ้างเหมือนกัน เนื่องจากคนหนุ่มแข็งแรงอย่างเขาอยู่ๆก็พลัดตกต้นมะพร้าวอย่างไม่น่าเชื่อจะว่าเป็นวีรกรรมคราวขโมยลูกนกทําให้แม่นกต้องบินขึ้นบินลงเพื่อช่วยลูกจนเหนื่อยปางตายส่วนลูกนกตัวที่อยู่คนต้นไปไหนเองไม่ได้ก็โดนมดรุมกัดจนตายอย่างน่าอนาองดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่วีรกรรมคราวนั้น เขากันในงอกเพื่อนเกลือร่วมกันฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาล้มตายไปไม่รู้กี่หมื่นกี่พันตัวถ้าบาปเวรจะตามสนองมันคงไม่สนองแค่นี้หรอกแขนหักคราวนั้นยังดีที่สุขภาพแข็งแรงกระดูกแขนสมานตัวได้เองอย่างรวดเร็วราวๆ เ, เดือนเศรก็สามารถถอดเฝือกใช้การได้ดีเป็นปกติช่วงเวลาที่ในแหวงบาดเจ็บอยู่กับบ้าน ก็แววข่าวว่าเพื่อนของพ่อนายงอกมาจากจังหวัดใกล้กันพาลูกสาววัยขบเพาะมาพักอยู่ที่บ้านพ่อนายงอกด้วยทำให้ในายงอกอยู่ติดบ้านเพื่อจะขายขนมจีบให้เด็กสาวที่ชื่อกำไรไม่แวะมาชวนนายแหวงไปเที่ยวที่บ้านสักคำเพราะกลัวจะมีคู่แข่งถ้ามีขึ้นมาจริงๆนายงอกนี่ตกกระป๋องแน่เนื่องจากนายแหวงนี่หุ่นดีหน้าตาดีกว่าหลายเท่า แต่ว่าความบังเอิญก็ทำให้ในแหวงมีโอกาสพบเจอสาวกำไลจนได้นั่นก็คือมีงานนักขัตฤกิกประจำปีที่วัดท้ายหมู่บ้านทั้งวัดเขาจัดให้มีหนังกลางแปลงมาประชันกันถึงสองจอมีลิเก ม, มีลำตัดมาเปิดวิกเรียกแขกอีกอย่างละคณะพ่อค้าแม่ขายก็มาจากทั่วสารทิศแห่มาเปิดร้านขายของกันเต็มลานวัด ชาวบ้านไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงโดยเฉพาะพวกที่เป็นวัยรุ่นจะแต่งชุดเก่งทำป้อป้ออยู่ในงานวัดอย่างมืดพว้ามัวดินในงอกขันอาสาเป็นมักคุเทศพาสาวกําไรไวัยขบเพาะหน้ารักน่าอินดูไปเดินชมความสนุกในงานวัดตอนกลางคืนในแหวงหายเจ็บแขนก็แวะไปเที่ยวกับเขาด้วยไปจ้าเอกับเพื่อนเกลอในบริเวณงาน จำเป็นอยู่เองที่นายหอกต้องแนะนำให้รู้จักกันเมื่อหนุ่มหน้าตาดีมาเจอเด็กสาวหน้าตาสวยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมชื่นชอบสิ่งที่เจริญหูเจริญตากําไรกับนายแหวงก็พูดคุยกันเป็นต่อยหอยลืมนายหอกซึ่งเป็นมักคุเทศเสสนิทฝ่ายนายหอกซื้อเหล้ามาดื่มอักอักอั ก, กดับอารมณ์หึงหวงยิ่งสดมากความหึงก็ยิ่งทวีขึ้นถึงขั้นดะ ง, งับโทสะไม่ไหว ในแหวงกำลังเดินคุยกำไลอยู่เพลินๆในงอกก็ทะหลันเข้ากระชากไหลชกปากเข้าโครมเดียวเพื่อนคู่หูก็ล้มทั้งยืนเลือดกลบปากเลยจะโย่แล้วไงทลายยศเอ้ยผีเข้าของไงข้าไปทลายยศอะไรเองไงงอกคืนเนี้ยไม่มึงก็กูต้องตายไปข้างอุย้ยอย่าเล่นบ้าๆนะข้าก็มีมือมีตีนเหมือนกันนะโว้ยในแหวงกระโจรลุกขึ้นจากการนอนคลุกปุ่น การเสียเชิงชายต่อหน้าสาวสวยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากอับอายขายขี้หน้าถ้าไม่ได้ชกแก้มือให้หายแค้นโชคดีที่พ่อแม่ในงอกกับพ่อของสาวกำไลอยู่ในบริเวณงานวัดก็ปราดก็มาห้ามทับได้ทันกันหลังจากมีเหตุให้ต้องโชกปากกันคืนนั้นสองเกลอก็มึนตึงกันไม่นานพอดูจนกระทั่งรู้ในภายหลังว่ากาไลนะมีแฟนแล้ว เป็นนายตำรวจหนุ่มประจำอยู่โรงพักภูธรในตัวอำเภอสองเกลือก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขเห็นเครื่องบินได้แต่ชะแงหน้าแงนมองทำอะไรเครื่องบินไม่ได้สองเกลือก็อกหักผิดหวังหันหน้ากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเมื่ออายุในแหวงใกล้จะครบบวชพ่อกับแม่ก็ขอร้องให้บวชทดแทนค่าน้ำนมสักหนึ่งพันาในแหวงก็นึกขลังรับปากอย่างดิบดี แต่ว่าเพิ่งจะเริ่มซื้อนังสือสวดมนต์มาท่องจดจำการขานนาคและพิธีกรรมทางศาสนาอตอนที่จะเข้าไปในโบสถ์ก็มีเรื่องไม่สู้ดีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นซะก่อนวันนั้นในแหวงจำได้ไม่เคยลืมเป็นวันกรุฎสงการที่วัดประจำหมู่บ้านเขาจัดงานเฉลิมฉลองกันเหมือนทุกปีในแหวงกับนายหอกสองเกลือก็นัดกันไปเที่ยวงานวัดสาหรับนายหอกนี่มาในมาดใหม่ มีสาวหุ่นอึมควงไปเที่ยวเด็กคนหนึ่งชื่อแจํมเหมือนต้องการจะประกาศตัวให้ในแหวงรู้ว่าเป็นแฟนกันคืนนั้นหญิงหนึ่งชายสองสนุกสนานอยู่ในงานวัดจนเที่ยงคืนในงอกก็เริ่มทังเกตียเห็นวัยรุ่นต่างถิ่นที่เดินมาเป็นกลุ่มมองพวกตัวตาขวางขวางยังไงพี่คนแล้วก็มองสาวแจํมด้วยสายตาลวนลาม พวกมันแต่ละคนก็หนีบขวดเหล้าเดินเมาแอนไม่ยำเกรงต่อสถานที่ธรณีสงในแหวงเห็นท่าไม่ได้การก็ชวนในหอกบกแฟนออกจากบริเวณงานโดยด่วนเพิ่งจะเดินพ้นซุ้มประตูวัดได้ไม่กี่ก้าวกลุ่มอันตพานต่างถิ่นก็ไล่ตามมาทันกันหนึ่งในห้าของพวกมันกระโจนเข้าคว้าข้อมือสาวแฉมแสดงเจตนาจะเล่นไม่ซื่อพวกที่เหลืออยู่ก็ไม่พูดพรามทำเพลง รุมตะลุมบอลกัสองเกลอไม่ทันในตั้งตัวล่ออันชุลมูลไม่รู้ว่าใครเป็นใครบรรดาไทยมุงเห็นเหตุการณ์ดูเดือดตื่นเต้นก็แห่ออกจากบริเวณงานมุงดูอย่างใกล้ชิดบางคนก็มันมืออยากจะตะลุมบอนด้วยไม่นานต่อมาก็มีเสียงปืนคำรามเปรียงเปรียงขึ้นสองนัดใครยิงก็ไม่รู้รู้แต่หนึ่งในกลุ่มอันตพานต่างถิ่นสุดหัวลงไปนอนจมกองเลือดทันตาเห็น การตะลุมบอลชะ ง, งักกึกเหมือนกับถูกสาปไทยมุงแต่คือหนีตายไปคนละทิศคนละทางสองเกลือกับสาวแจมว่มก็โ้ยอ้าวไปหลบอยู่ที่บ้านนายงอกนั่งวิภาควิจารณ์ว่าใครกันที่ยิงปืนขึ้นสองนัดพูดคุยกันยังไม่ทันได้บทสรุปของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นตำรวจก็แห่มาเต็มบ้านโดยมีสี่อันดพานไปแจ้งความพวกนายงอกในข้อหาฆ่าพวกมันตายไปคนหนึ่ง คืนนั้นสองเกลอกับสาวแจ่มก็ถูกนำตัวไปสอบเครียดที่โรงพักพ่อแม่ของนั้งสามก็ต้องวิ่งหาเงินมาประกันตัวออกไปสู้คดีสำหรับสาวแจ่มไม่ต้องประกันแต่ว่ายินดีเป็นพยานให้ฝ่ายจำเลยในแหวงบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลุโลกบอกว่าตัวกำลังจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่ถ้าผลคดีเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางจะบวชอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วย แล้วก็จะงดการฆ่าสัตว์ทุกชนิดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่คืนที่ถูกรุมบอมก็เล่นเอาฟันฟางหักไปหลายซี่หน้าตาหัวหวูปูดโปโนโบวมนะปรากฏว่าความสวยไปตกตีในหอกคนเดียวเพราะว่าคืนเกิดเหตุแอบหยิบปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปดของพ่อมันเหน็บติดเอวไปด้วยก่อนจะถึงงานวัดก็ยิงซ้อมมือไปสองนัดแล้ว พ้องกับเสียงปืนที่ไทยมุงได้ยินขนาดของลูกปืนก็จุดสามแปดเหมือนกันเปรียบประกอบกับวิทยาการทางพิสูจน์หลักฐานของตำรวจสมัยนั่นก็ยังล้าหลังอยู่แต่มีสิ่งบอกเหตุตรงกันสองฝ่ายก็วิวาชกต่อยกันโดยไฟในหอกเสียเปรียบโดนอันดพันต่างถิ่นรุมบอมแท้จะตายไม่ตายแหลการชักปืนยิงต่อสู้จึงสมเหตุสมผลแต่เป็นการป้องกันตัวรุนแรงเกินกว่าเหตุ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับความตายทางตำรวจก็เรียกผู้ต้องสงสัยอย่างนายอกมาคุมขังในฐานะผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนาต้องสู้คดีความกันในชั้นศาลขณะถูกคุมขังป้องกันการหลบหนีกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งยอมเปิดปากบอกกับตำรวจว่าเห็นบุรุษลึกลับคนหนึ่งยิงปืนอยู่ในเงามืดใต้ร่มไม้ชายป่าละเมาะเป็นใครก็ไม่รู้รู้แต่ผู้ตาย ลม้มลงจมกองเลือดและบุรุษลึกลับก็เดินหายไปในความมืดลองตรวจดูวิถีกระสุนก็จะรู้ว่ามาจากด้านหลังในหอกชกต่อยประจันหน้ากันถ้าในหอกเป็นคนยิงกระสุนปืนก็จะต้องพุ่งจากข้างหน้าปรากฏว่าคำให้การของชาวบ้านฟังขึ้นในหอกได้รับความเมตตาจากศาลปล่อยตัวเป็นอิสระส่วนตำรวจก็จะกวานหาตัวมือปืนให้จงได้ในเวลาต่อไป น, นั้นนายเสวงบวรเรียนจนศึกออกมาพักใหญ่แล้วระหว่างจำมันษาอยู่ในวัดพระเสวงก็ศึกษาพระธรรมคาสอนอย่างคร่าเคร่งจริงจังทําให้รอบรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมากกว่าเดิมหลายเท่าคือรู้ว่ากรรมใดก็ตามผู้กระทําอาจจะเข้าใจว่าเล็กน้อยไม่จดจําไว้ให้รกสมองแต่ถ้าหากกรรมนั้นถึงพร้อมด้วยไตรทวารคือวจีกรรมมโนกรรมและกายกรรม มาประชุมพร้อมในเวลาเดียวกันกรรมเช่นว่าจะส่งผลทันตาเห็นในชาติปัจจุบันสองเกลอเคยฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นหมูเห็ดเป็ดไก่ไปหลายสิบตัวแต่ขณะลงมือทเจ็ตใจมุ่งแต่เรื่องทามาหากินไม่ได้มีจิตปัทุส้ายวาจะไม่ได้จับจ้วงล่วงเกินสัตว์ที่ฆ่ามีแต่ทางกายอย่างเดียวที่ใช้อาวุธประหัตประหารแต่ก็ใช่ว่าจะหนีพ้นกรรมอันหนักไปได้ กรรมอันนั้นต้องตามไปชดใช้ในชาติถัดไปผิดกับบาปเวรคราวกั่นแกล้งแม่นกกับลูกนกเมื่อปีโ น, น้นคราวนั้นก่อนที่จะลงมือกระทำก็มีการปรึกษาหาหรือจนเห็นพ้องต้องกันเีก่อนอีกทั้งมีความพยายามกระทำกรรมไม่สำเร็จทั้งที่รังนอกอยู่สูงมากก็อุตส่าห์ปีนต้นไม้แบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเมื่อขโมยลูกนกมาไว้ที่โคนต้นไม้ ในงอกก็ยังเล่นพิเรนเอาดอกอันชันมาคันน้ําแล้วเคลือบตัวลูกนกให้เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงสร้างความสับสนให้แก่แม่นกอีกทั้งยังแอบดูผลงานของตัวเพราะคาดหวังว่าแม่นกจะเกิดความสับสนบินขึ้นบินลงจนเหนื่อยตายเมื่อสมหวังตามเจตนาอันเลวร้ายก็พากันหัวเราะขบขันความวิบัติเดือดร้อนนั้นการทําชั่วอย่างถึงพร้อมด้วยไตรทวนัน จะมีผลเป็นความวิบัติตามสนองในชาติปัจจุบันเดชบุญที่เหตุการณ์คราวนั้นในแหวงยังออกปากพูดปรามๆในงอกไปหลายคำแสดงความไม่เห็นด้วยที่เพื่อนจัดหนักกับนกขนาดนั้นจึงพ้นคดีได้บวชเรียนในพระาศาสนาอยู่พักใหญ่ผิดกับเพื่อนเกลอคือในงอกซึ่งโดนเข้าใจผิดถูกจับกุมคุ้มขังดำเนินคดีเป็นเวลานานหลายปีกว่าจะพ้นผิด เพราะว่ามีชาวบ้านช่วยแก้ต่างให้ในภายหลังเมื่อในแหวงศึกออกมาเป็นคาราวาา ช, ช่วยอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมให้ในายงอกฟังนายงอกก็เริ่มหูตาสว่างงดจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตเช่นเดียวกับนายแหวงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับคุณประจวบเคยเล่าให้ฟัง ว่าแม่ของเขาเคยได้น้ําตาลหวานมาแล้วแล้วก็เอาใส่ขวดตั้งเอาไว้บนร้านไม้ข้างบ้านร้านที่ว่านั้นเอาไว้ตั้งขวดน้ําปลาโดยเฉพาะเพื่อให้มันโดนแสงแดดแผดเผาตลอดวันแล้วก็จะทําให้น้ําปลาดีกินอร่อยแสงแดดคงจะช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยอ่าอันนี้คุณประจวบคิดเอาเองแล้วทีนี้พอได้น้ําตาลหวานมาก็เอาใส่ขวดมาตั้งไว้ตรงนั้นแหละได้มาสองขวด ตั้งเอาไว้ทำไมทีแรกคุณประจวบก็ไม่รู้อะจนได้ยินแม่พูดขึ้นมาว่ามันเป็นน้ำส้มหรือยังก็ไม่รู้คุณประจวบก็นึกได้เออเขาเอาน้ำตาลหวานหมักในขวดนั่นแหละจนกระทั่งมันกลายเป็นน้ำส้มหมักเอามาทำน้ำจิ้มเวลาที่บ้านยายเขาแก้บนหัวหมูตําพริกกระเทียมใส่ลงไปใส่น้ำส้มหมักนั้นแล้วก็เกลือหรือว่าน้ำปลาอะไรสักอย่าง เอาหัวหมูที่หั่นเป็นชิ้นๆจิ้มลงไปอร่อยมันจะมีกลิ่นของน้ำส้มหมักด้วยส่วนน้ำตาลหวานเนี่ยแม่ได้มาจากนาเขยอ่าก็คือผัวของน้องสาวแม่แหละเขาพวกคอน้ำตาลเมาก็เลยมีน้ำตาลหวานกันทุกวันถ้าน้ำตาลออกเยอะก็จะเหลือก็ส่งมาให้พวกคุณประจวบในกินกันแต่นานๆทีส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอาไปเติมในไหน้ำตาลเมาจนหมดกันแหละ มีอยู่วันหนึ่งมีคนแปลกหน้าสามสี่คนพากันเข้ามาในบ้านมาถามหาหน้าเขยหมาเห่าเันเกลียวเลยเขาถามหาหน้าเขยคุณประโยชน์วันนึกว่าเขาคงรู้จักกันก็ชี้ไปที่บ้านน้าที่อยู่ถัดเข้าไปข้างในบอกว่าโน่นอยู่โน่นดูหมาให้หน่อยสิอย่าให้มันมากัดนะอุ้ยมันไม่กัดหรอกพอหมาเ ห, าห่านาสาวก็อมองมาจากระเบียงก็เห็นแล้วว่าใครมานาสาวก็ลงมา เขาก็บอกว่ามาหานาเขยเน้าสาวก็บอกไม่อยู่หรอกไปหาปลาอยู่ในหนองน้ำไกลลิโนนพวกเขามองหน้ากันแล้วก็พูดอะไรกันนาะสาวสักอย่างอาคุณประจวบก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเสร็จแล้วพวกเขาก็ช่วยกันค้นหาบางอย่างที่ตามข้างบ้านนะมองโน่นมองนี่มองหาอย่างซอกแซกเหมือนพวกสรู้สอเห็นคุณประจวบก็ถามน้าสาวอย่างกระซิบกระซาบว่าเขาหาอะไร นาก็ทำตาดุดดุไม่พูดอะไรแล้วพวกเขาก็หากันจนทั่วหมดแล้วที่บ้านนะแต่เขาไม่เจออะไรเพราะไม่เจอที่บ้านนาก็มาที่บ้านของคุณประจวบบ้างดูหมดดมไหปลาร้าดมไหน้ําปลาดูขวดน้ําปลาที่ตั้งไว้เสร็จแล้วก็เจอขวดใส่น้ําตาลหวานหมักตั้งตากแดดไว้สองขวดน่ะเขาก็ถามแม่ว่านี่อะไรแม่ก็บอกน้ำส้มหมักเขาก็ยกมาดม แล้วก็บอกว่านี่มันน้ำตาลเมาไม่ใช่เหรอแม่ก็บอกว่าไม่ใช่น้ำตาลหมักทําเป็นน้ําส้มไม่เชื่อก็ชิมดูสิมันจะเปรียปร้ยวๆไว้ใช้ทําน้ําจิ้มแทนน้าส้มสายชูเขาก็บอกว่าไม่ได้นะอย่างนี้ผิดกฎหมายจะต้องไปเสียค่าปรับแม่ก็บอกว่าอย่าให้ถึงอย่างนั้นเลยทําน้ําส้มหมักไว้กินเท่านั้นแหละบ้านนี้ไม่มีใครเขากินเหล้าเมายากันล็อกแม่ยกมือไหว้เขาประหลกประหลกพวกเขาก็มองหน้ากัน คนหนึ่งก็บอกแม่ว่าเอาเททิ้งซะนะทิ้งให้หมดเลยนะไม่อย่างนั้นต้องเดือดร้อนแน่คราวหน้าคราวหลังอย่าทําอีกไปนันขัดถ้ามาเจออีกทีคราวนี้เอาเรื่องนะแม่ก็รีบคว่าขวดทั้งสองเททิ้งต่อหน้าเขาแต่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ดูให้น้ําหมดขวดเ่ยเขาพากันหันหลังแล้วก็เดินจากไปออกประตูปากตรอกบ้านไปแม่เททิ้งจนหมดล้างขวดมือไม้สั่นบน บนว่าไม่เอาอีกแล้วไม่ทําอีกแล้วซื้อเขากินดีกว่าเกือบจะเสียเงินไปแล้วแหมมันทําให้เดือดร้อนเขลดแล้วไม่เอาแล้วล้างขวดความตากแดดบอกว่าจะเอาขวดไว้ใส่น้ําปลาก็เป็นอันว่าน้ําส้มหมักมีกลิ่นหอมหอมไม่มีกินกันแล้วจะต้องกินน้ําส้มสายชูเทียมที่เปรี้ยวจืดฉุนกึกไม่ได้รสได้ชาติอะไรแต่บ้านยายเขาฉลาดเขาทําแล้วก็เอาไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนไม่รู้พวกนั้นมองไม่เห็น เขาก็มีน้ำส้มหมักอ ร, อ, อร่อยอร่อยกินกันยายอยู่กับนาสาวแล้วก็น้าเขยก็จริงๆแล้วบ้านนั้นก็คือบ้านของยายหลังใหญ่บ้านที่ตายายอยู่กันมาก่อนแม่คุณประจวบก็เกิดแล้วก็เติบโตที่นั่นแหละแล้วก็แต่งงานแยกเรือนมาอยู่กันต่างหากพอใครแต่งงานก็ออกจากบ้านไปน้าสาวเป็นคนสุดท้องแต่งแล้วไม่ต้องออกไปไหนเพียงแต่น้าเขยเข้ามาอยู่ไม่ต้องหาบ้านหลังใหม่ แต่ยายก็ยังอยู่ที่บ้านนั้นบ้านนาเขามีคูน้ําอยู่ที่นาข้าวในที่ลุ่มเกี่ยวข้าวแล้วเขาจะวิทคูในคูก็มีปลามากมายหลายชนิดปลาช่อนปลาสลิดปลาหมอปลากระดีปลาไหลเขาวิทแล้วจับปลาขายมีคนไปซื้อกินซื้อเอาไปขายนาเขยในชอบบนให้ได้ปลาเยอะๆถ้าตรงตามเป้าเขาก็จะแก้บนหัวหมูหัวใหญ่ไก่ต้มเหล้า มีอย่างอื่นอีกอ่าคุณประจวบไม่ได้สนใจสนใจก็แต่หัวหมูแล้วก็ไก่เท่านั้นแหละแต่ไก่นะมักจะไม่ได้กินได้กินแค่หัวหมูเพราะว่าหัวหมูมันเยอะไก่มันน้อยพวกคอเล้าก็ฉีกกินกันหมดแล้วก็คงจะมีพวกปลาช่อนนึ่งด้วยอ่าเขาจะแก้บนหลังจากที่วิทย์คูเอาปลาขายได้เงินได้ทองเรียบร้อยแล้วพักเหนื่อยสักวันสองวันก็จะแก้บนแก้บนแล้วเขาก็จะเอาหัวหมูมาต้มที่บ้านอีกทีเอามาหัน่น เด็กๆก็รอกันยายก็ทำน้ำจิ้มตามพริกขี้หนูกระเทียมใส่ถ้วยทําน้ำจิ้มถ้วยบเบ้อเลยเอามาตั้งที่กลางนกชนันตอนที่แดดร่มลมตกแล้วนกชานก็ลงมองเห็นท้องฟ้าสีครามก้อนเมฆสวยเชียวคุณประจวบไม่ได้สนใจอย่างอื่นหรอกก้อนเมฆจะสวยยังไงต้นมะพร้าวข้างบ้านมันจะโบกควสวยงามแค่ไหนไม่สนใจไม่มอง จ้องแต่ว่าเมื่อไรา ย, ยายหรือว่าน้าสาวจะยกจานหัวหมูที่หั่นแล้วเอามาตั้งกลางวงหลายคนด้วยกันที่รอกินอยู่เด็กๆทั้งนั้นน่ะพวกผู้ใหญ่เขาไม่มายุ่งกับวงของเด็กอ่ะเด็กก็นั่งรอกันอยู่ก็ล้วนแต่ลูกๆของาน้าสาวมีคุณประยูบนี่แหละเป็นคนอื่นอยู่เพียงคนเดียวที่ไปอาศัยกินกับเขาพวกลูกนั้นาน้าที่ตัวแสบก็จะพูดว่ากระทบกระแทก ว่ามากินของบ้านเขาทาไมไม่เห็นช่วยทําอะไรเลยมาถึงก็มากินคุณประจวบก็จะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรด้วยเพราะว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่หัวหมูในจานที่จะเอามาตั้งนั่นแหละคุณประจวบนันอ้วนความอ้วนก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วว่าเห็นการกินนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเรื่องเล็กเรื่องศักดิ์สิทอะไรต่างๆนานาไม่คํานึงถึงมนะันเอาไว้คิดทีหลังขอกินก่อน เขาก็จะมีข้าวมาให้เด็กๆกินด้วยตักใส่ชามบ้างจานบ้างของใครของมันเอามาก็คดใส่จานกันเขาก็จะเอาจานหมูมาตั้งที่หลังเพราะว่าทำหมูมา ก, ก่อนก็จะกินกันเปล่าๆเสีหมดก่อนไม่ทันได้กินกับข้าวพอจานหมูมา ก, ก็พลุบเชียแย่งกันหยิบอ่าคนละหมุบคนละมับเดียวเดียวหมดละแย่งกันก็ย่อมต้องมีเสียงบ่นด่าว่ากันเป็นธรรมดายายก็จะปราม กินกันดีๆไม่ได้หรือไงยูไม่ต้องแย่งกันหมดแล้วเดี๋ยวเอาใหม่หมดแล้วยายวะเร็วจริงนะฮะยายก็เอามาให้ใหม่บางทีคนนาก็เป็นคนเอามาให้แหมเจริญอาหารกันเยอเกินนะพวกเองเนี่ยยายนะหัวเราะอย่างมีความสุขมองดูหลานๆกินกันอย่าง อ, ร, อร่อยร่อยตัวแกเองไม่ได้กินอะไรอนั่งเคี้ยวหมากมองเขากินกันซะมากกว่ายายเป็นคนอ้วน น้าเจ้าเนื้อกินหมากปากแดงเนาะเป็นคนใจกว้างใจดีแต่กับคุณประจวบยายดุคุณประจวบมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณประจวบเป็นเด็กรื้อรั้นไม่ค่อยมีสัมมาคารวะพูดจาไม่มีหางเสียงพูดอะไรก็หวนหวนุนไม่มีความอ่อนน้อมเลยการแก้บนของบ้านนานี่มันเป็นสิ่งที่วิเศษสําหรับคุณประจวบเลย เพราะตามธรรมดานี่จะได้กินหัวหมูหางหมูที่ไหนละ่ะไม่มีซะละที่บ้านแกเคยบนบานสารกล่าวอะไรซะที่ไหนไอ้เรื่องพันอย่างนี้แม่ก็ไม่เคยพ่อก็ไม่เคยแล้วบ้านคุณประจวบก็ไม่มีบอ่อปลาไม่มีคูน้ําที่จะวิซปลาที่บ้านแกเนี่ยอาหารการกินสู้บ้านยายไม่ได้เลยบ้านยายมีของอร่อยอร่อยอยู่ประจําแกงเผ็ดแกงเนื้อแกงไก่อ่ะยายทําอาหารเก่งมาก แม่เคยเล่าว่าแม้แต่หอยโขวงยายก็ยังเอามาแกงป่าใส่ใบยี่หร่ารสร้อนแรงให้กินกันอร่อยอ่าเผ็ดร้อนจนน้ำตาร่วงสูซัดกันมาเมื่อนึกถึงน้ำส้มหมักหรือว่าได้กลิ่นน้ำส้มสายชูหมักคุณประจวบก็จะนึกถึงน้ำจิ้มหัวหมูของยายทุกทีไปกลิ่นมันใช่เลยแบบนั้นอ่ะหอมแปลกๆแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันเหม็นก็ไม่รู้สินะแต่ว่าคุณประจวบเรียกมันว่าหอม เออก็ขอให้ดวงวิญญาณของยายและดวงวิญญาณของน้าสาวเนี่ยจงสงบสุขชั่วนิรันดร์นะครับ